Sharalam g a c h a d h a m m a sharalam g a c h a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 นามิสราสานิจังปุเรตวะอาคตวารังโมขันาทวิชันโตดาวยังพิตตวัสรัตตะหังโมทังวเนสุดุการัง นามิเซรส า, าดะหังพระนราสพะผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับครบนับชาติไม่ท่วนได้เสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสพะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเศียงกล้าวเป็นนิดพระนาถาทรงปรารถนาโมกษธรรม สระพระราชะโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้แว่นแว้นน้อยใหญ่ทรงรื่นลมในไพรสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถะผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวตัดสามูระหังมหายานังโอเปสีโบติปันดเร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 a ั a ขาว a อาขามเคนาปัญจมาเรอาเสสะโตหันขิตวานาสิกาปโตสปัลลังกังนะมหามิตังขันตวามุนิวารตัมหานิมิเสวราสเน ขคันเอปุณจันโดวาสาณิมิสังนัมมหามิตังวันตามิโสนเพนโดนัสตวะฮาปาติฮาริยังวสซาโดวิจังกมีสจังกมังนัมมหามิตัง ตรันทิตาสังกาโสโลกโครัตนาคเรตโตเซสิชนังรังศิฮิสคารหังนะมหามิตหังพระผู้มีประภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมด้วยกองทัพของพญามารโดยสิ้นเชิงด้วย อระตมะขยานทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมมุนีเสด็จออกจากโพธิพฤกนั้นแล้วเสด็จประทับยืนน่าสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกัะพิบเปรียบดังพระจันเพนบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมโนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนอันไม่กระพิพภเนศนั้นพระนาถเจ้าผู้คลายอามิตรแล้วทรงสแสดงยะมะก่ปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์เสด็จจงกรมองคอาจดังราชเสศีนรัตนาจงกรมเจดีนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้น พระไตรโลกนาถผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยนาะรัตน์คราเจดีเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้โสมนัสด้วยพระรัศมีด้วยชพรสับ พ, พันรัางสีข้าพเจ้าขอ น, านอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระ อ, องค์นั้นพร้อมด้วยรัตน์คราเจดีเจดีคือเรือนแก้วนั้น อังคีราโสมหกุญโยอาชาปาราโุปาคโตอนุตโรม h เฮสโคสาชาปัลังนะมหมิตังรัตมิชาเรโชตันโตมุจเรนเดมหเสร เราวิราชาวโยนาโทสัธานาหังนามิตังฮตาวิโชคุนาทาโรราชายตนาปาทเปฮเวนิสีธิรขิยา สันธนานังนามิตังโตมะเรณาริงหันตว a มิค a ถาอย่างมหาวนาโตเสตว a อุบกคังขันช์ิมห n นจินางนามิตัง พระจอมมุนีผู้ประเสริฐผู้มีพระรัศมีฉับพลันรลังสีแผ่ซ่านผู้มีปุญญาอภินิหารอันยิ่งใหญ่เสด็จไปสู่ควงไม้อาชาปารนิโคดข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อาชาปารนะิโคตนั้น พระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรดอยู่ด้วยขายพระสมีกล่าวคือพระฉับพันนางังศีทรงสวยมุติสุขใกล้สระน้ําใหญ่มุจจลินดุดผ้าทิศยอมนักสัตว์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสระน้ําใหญ่มุจจลินนั้นพระบรมศา ส, าสดาทรงกับจัดอวิชชาคือความมืดบอดแหง่งดวงจิต ทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ประทับนั่งด้วยพุทธสรินักควงไม้ราชายัตนะคือไม้เกตนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่นั้นด้วยพระชินเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูคือกิเลสด้วยหอกคือพยาน ยังอุปกาศชีวคให้ชื่นชมแล้วสเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนะบรกทายวันอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินจ้าพระองค์นั้นสัมมาปโตอมมาเตโชปัญจะวะเขียบเพียกคุณัง สมมาธรรมพาวัตเตสีสถานาหังนามิตังสังคิตโรมหะปัญโยดต a วามตังมหาชนังสังทิตโจรเชตัมหี สัวิระหังนามาหิทังบุตัสสัสวุญญาเ a นิพุตัสสัจตาดิโนบ a ตัสสัตสัดาตุโยเสยรูปังน h มาหิหัง พระบรมศาสดาผู้ทรงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แสดจถึง 8, ป่าอิสิปตนม้มฤกทายวันโดยสวัสดีภาพแล้วทรงสแสดงพระธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเป็นเบื้องแรกแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นและสถานที่นั้นด้วย พระพุทธเจ้าผู้ทรงปกครองสงมีพระปัญญาอันใหญ่หลวงทรงประทานอมตะธรรมแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระวิหารเชตวันนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ ผู้เสด็จดับขันทปรินิณพานณสารวโนทยานกล่าวคือป่าสาระและขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธสีห์ส่ญาติพระองค์นั้นด้วยเสียนกราฟขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนยที่ได้ตั้งใจมาฟังพระสัทธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัน ในนาฐานะทั้งหลายที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาได้ปฏิญญาณต่อหน้าพระรัตนตรัยกันมาทั้งนั้นว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่ธรรมพระริยสง์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้า ฉะนั้นอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายในการที่เราจะฝังคุณของพระรัตนตรัยลงในกระแสของโชนนะคือด้านของความคิดที่จะให้แนบสนิทลงในกมนุษย์ดานของแต่ละท่านนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆรู้ไหมว่าทําไมพระบรมศาสดาจึงไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนไปโปรดโคนทัญญาก่อนแทนที่จะเป็นพวกเราทั้งหลายที่นั่งหน้าที่ตรงนี้ เหตุผลคำตอบนาวันนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะฝังสัตทินรซีไว้ลงในลงในกบลสันดานของเราเด่งลึกซึ้งนะทำไมกรณีแห่งการบุคคลที่เขาเจริญพุทธคุณในการเลือลึกถึงคุณของพระบรมศาสตราอย่างแนบแน่นอย่างยาวไกลให้สังเกตดูว่าเคยคิดไหมว่าทำไมเราจะทาคุณของพระรัตน้ตรยคือพุทธรัชนธรรมราชนาและสังฆรัชนาน่ ฟังแน่นลงสู่กระแสจใจเราให้แน่นแน่นให้ได้เราต้องตั้งอัจาศัยให้ชัดเพราะอะไรพระบรมศ า, ศาสดาเวลาพระองค์จะไปโปรดนั้นพระองค์จะไปโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนนะทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเห็นศรัทธาเห็นสัจตินรียของท่านอัญญาโกลทัญญะได้อย่างไรทั้งทั้งที่ท่านัญญาโกลทัญญาปฏิเสธในการที่จะ เข้าเห็นพระพุทธเจ้าโดยซ้าไปแล้วก็ปฏิเสธการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าครั้งแรกโดยซ้ําไปว่าท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านถึงหนีเพราะท่านคลายความเพียนเวียนมาสู่ความเป็นผู้มากมากเวียนไปสู่ความเป็นคนเลวแต่ถ้าเราย้อนไปในสังสารวัตนะเราจะเห็นว่าท่านัญญาโคนัญญะหรือพระัญญาโคนัญญะนั้นนะ่ยท่านฝังคุณของพระพุทธเจ้าลงไว้ในกมลสันดาลในกระแสจิตใจของท่านนะ ท่านฟังไว้ในไหนท่านฟังไว้ในผวังกจิตเรียบร้อยแล้วมหาวิบากที่เป็นยานนะสัมปยุทธ์ก็ดีนะบางกลุ่มก็เป็นสซมนาที่เป็นอุเวคาฉะนั้นสัตทินรีที่ไปตั้งอยู่ในสตาวุริยาสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะสทธาที่ตั้งมั่นอย่างแนบแน่นในกระแสจิตใจเชิงลึกที่เาเรียกว่าผวางกจิตเนี่ย ที่นอนอยู่ในขันธสันดานของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ยถ้าเราสามารถฝังคุณของพระรัตนตรัยไว้ในการละสันดานหรือในภวังค์กจิตเป็นต้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจากมีพยานที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานใช่ไหมยะนั้นสัพพัญยุตยานก็ดีอนนาวรณญาณก็ดีอินทริยปรโรปริยติญาณหรืออาสยานุเสยญาณที่จะสามารถยังลงสู่กระแสจิตใจของเหล่าสัตว์ได้ว่า ท่านผู้นี้มีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยาวไกลในสังสารวัฏฉะนั้นเมื่อสัพพัญยตยานอย่างเห็นศรัทธาในกระแสของขันธสันดานของเหล่าสัตว์แล้วถึงแม้จะไกลตั้ง18โยชน์พระองค์ก็ทรงสเสด็จ ด, ด้วยพระบาทเปล่านะไปจากบริเวณโพธิมณฑลเพื่อจะไปโปรดโกลัญญะโปรดปัญจวัคคีหน้าป่าสิ ป, ปตนามฤกขายาวันแปว้งเมืองพระราศี แล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จพุทธดําเนินด้วยพระบาทเปล่านะถ้าเราเดินทางกันก็เป็นระยะเวลาทั้งสองอกว่ากิโลเนกะือบสามร้อกิโลเดินทางตั้งหกเจดชั่วโมงถ้านั่งรถปัจจุบันนี้ทางสะดวกแล้วนี่ยถ้าเดินทางจากโพธิมณฑลหรือพุทธคยาเนะี่ยแต่พระบรมศ า, ศาสดานั้นทรงเสด็จด้วยพระบาทเปล่าพระองค์ไปเพื่ออะไรไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีท่านพระอัญญากรรัญญะเพราะท่านเห็นอะไร เห็นศรัทธาที่ตั้งมั่นในกระแสขันของท่านไงฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเห็นมุมอย่างนี้แล้วและพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาก็เริ่มหลังไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาออกจากหาไทยของพระศาสดาประชุมลงสู่กระแสใจของสัตหาประมาณไม่ได้สัตว์ที่ได้บรรลุธรรมนั้นนับไม่ได้ใช่ไหมในสมัยครั้งพุทธกาลนะท่านในชั้นของคําสอนเอาเฉพาะบุคคลที่เป็นพระราชามหากษะสัตถ์เนี่ย ที่กล่าวไว้ในคําสอนเนี่ยแปดห0ื่นพระองค์นะเราลองคิดดูทีพระเจ้าเป็นดินเนี่ยประมาณ8ป0 0 0ื่นเมืองน่ยที่เขาสละราชบัลลังก์แล้วเน่ยเดินตามรอยบาทพระศาสดาเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ออกบวชสละราชบัลลังก์สละพระราชโอรสพระราชธิดาสละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติทั้งหมดบําเพ็ญเนคขมาตามพระศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรม ไม่ต้องนับถึงโปรโหิตหรือพ่อค้าคึหาบดีทั้งหลายที่เห็นการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นความยิ่งใหญ่อย่างใหญ่หลวงนะฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าการที่พระบรมศาสดาได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนนะ่ยเป็นความยิ่งใหญ่มากๆแล้วการของพระบรมศาสดานะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่กลิ่นอายคสอนของพระศาสดาก็หลังไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลานะในขณะปัจจุบันนี้ ก็ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องเปิดใจแล้วต้องเปิดใจในการที่จะรับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะประชมลงสู่กระแสจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งให้ได้เพราะในเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันในการเจริญกุศลหรือมาปฏิบัติธรรมกันณนะสถานที่เหล่านี้เรามาเจอกันช่วงพักช่วคู่เนี ฉะนั้นในขณะที่เรามาเจอกันเรากําลังมารมความดีต่อกันด้วยการบําเพ็ญทา น, นกุศลศีลกุศลและหรือภาวนากุศลเป็นต้นแต่ที่สุดจริงๆนั้นคติของบุคคลที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าแต่ละบุคคลก็ไปกันคนละทางนะฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จงตั้งมั่นในการที่เจริญกุศลร่วมกันให้ลึกซึ้งให้ต่อเนื่องให้ยาวนาน เมื่อเราจัดเดินจากกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องอะไรอาวรจะได้ไม่ต้องอะไรอาวรต่างคนต่างก็สามารถเก็บเกี่ยวพระธรรมคําำำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาประชุมไว้ในจิตใจได้อย่างชัดเจนที่สุดจริงๆเมื่อตนเองได้แล้วก็จะได้แหละจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐได้ที่พึ่งอันกเกษมและได้สนธนาสนธนา ทีนี้เราจะสามารถพัฒนาจากโลกียะสรณคมก็ถึงโลกุตระสรณคมได้อย่างไรอันนั้นก็ต้องไปนั่งคิดนั่งคิดในขณะนั้นก็คือต้องรู้ก่อนว่าในขณะที่เราจะฟังธรรมของพระบรมศาสดาหรือกําลังฟังอยู่เนี่ยก็ต้องตั้งจิตให้ดีว่าเรารู้จักสภาพจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือยังเมื่อเช้าฟังธรรมจากพระเถระใช่ไหมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของคำสอน ท่านก็บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกุศลนะฉะนั้นเราจะแลกเปลี่ยนสภาพที่เป็นอัพยากต ธ, ธรรมเป็นต้นเหล่านี้นะสิ่งของทั้งหมดที่ว่าเราเรียกกันว่าบ้านก็ดีเรียกกันว่าทรัพย์สมบัติก็ดีเรียกกันว่าข้าทาสบริวารทั้งหลายเป็นต้นก็ดีนะข้าทาสบริวารทั้งหลายนั่ก็พูดถึงขันห้าก็รวมทั้งจิตเจดสิกไปด้วย แต่ส่วนใหญ่ๆที่เราสามารถสัมผัสได้แล้วก็รู้ได้เห็นได้อะไรต่างๆเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ที่เราจะคิดถึงก็คิดถึงในด้านของรูปธรรมซึ่งเป็นในกลุ่มของอัพยากาธรรมทั้งหลายถ้ามองอย่างนี้เราจะคิดถึงอะไรเราจะคิดถึงบอกว่าการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะว่าการสละวัตถุไม่ว่าจะเป็นตำหรับตําราหรือจะเป็นสละวัตถุที่เป็นข้าวของทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งเป็นอภิญาการตธรรมแต่ปัดเป้าหมายเราต้องการจะแลกทําให้กุศลธรรมเนีเกิดขึ้นทีนี้สภาพของกุศลจิตที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันลักษณะของกุศลนั้ น, นลักษณะที่ไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขให้เป็นผลเป็นความดีงามความสุขที่สมบูรณ์ <diesem S 2> ที่สุดมันเป็นความสุขที่เป็นไปกับกุศลทีนี้สภาพของกุศลเนี่ยลักษณะที่ไม่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีน่ะ และสามารถให้ผลได้มากกว่าตรวจโกตตนเองเนี่ยก็แปลว่าจากการมากวาจรกุศลเนี่ยพัฒนาให้เป็นรูปาวาจรกุศลให้เป็นอรูปาวาจรกุศลเป้าหมายสูงสุดก็คือโลกุตระกุศลทําไมต้องให้เป็นโลกุตระกุศลเพื่อจะได้เปิฟอกกระแสะของความคิดเนี่ยซึ่งเป็นความคิดที่ยังมันม่มีราคาโทสะโมหะเนี่ยมันเจือปนอยู่เยอะฉะนั้นสภาพจิตใจของเราท่านทั้งหลายเป็นสภาพจิตที่ยังไม่สะอาด เพราะยังไม่ถูกหลอมเหมือนทองคำใช่ทองคาที่มันอยู่ในหินเนี่ยมันเป็นทองคาที่ปลนกับหินไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่านี่เป็นหินเป็นทองคาเป็นต้นแต่เมื่อสามารถกระเทาะหินเหล่านั้นมาแล้วก็ไปสู่เบ้าหลอมที่สุดจริงๆก็คือใช้ไฟใช้อะไรเนยโรมไปเรื่อยๆในี่นสุดจริงก็สามารถคัดเอาหินออกไปเอาส่วนที่เป็นทองค้แท้ๆนะออกมาให้ได้แม้ชั้นใด สภาพจิตใจของเราท่านทั้งหลายในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราต้องการมาพอกจิตของเราที่ไม่สะอาดเนะจิตที่สกรปรกเราจะทำยังไงให้มีเป็นวิถีจิตที่สะอาดอาศัยอะไรวิถีจิตจึงจะสะอาดได้อาศัยจากการน้อมฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดานอะอาศัยศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยการที่เราน้อมฟังพระธรรมคาสอนที่เป็นไปตามลาดับคาสอนนั่นแหละ แล้วจิตใจก็ระลึกตามพระธรรมคำสอนไม่ปล่อยจิตไปเพิดเพลินในเรื่องอื่นในขณะนี้ก็ดูแลสภาพจิตของตนเองว่าลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามมันเกิดขึ้นไหมถ้ามันลักษณะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นไปกับกามฉันทะอย่างเียใช่ไหมเป็นไปกับกยึดติดเป็นไปกับพยาบาทมีความหงุดหงิดเป็นไปกับถีนมิธาเป็นสภาพจิตที่หนัก เป็นไปกับอุทธจาร ก, กุจจารคือพุ่งสร้างหรือเป็นไปด้วยการวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยอันนั้นก็ตอบตอนเองได้เลยว่าตอนนี้สภาพจิตของเราเป็นบาปเป็นอกุศล ธ, ธรรมอลามกเป็นจิตที่ไม่สะอาดเป็นจิตที่โสโครก mm hmm. ก็ขจัดด้วยสติและสัมปชัญญะและโดยการฟังพระธรรมให้ต่อเนื่องฟังก็คิดตามพระธรรมไปอย่าปล่อยทรงอย่าส่งใจไปในทางอื่น และในขณะที่ฟังนั้นก็น้อมถึงพระผู้มีภาคเจ้าว่าวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะให้มหากุศลและจิต8ดวงเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงกลุ่มที่ต้องการจะรู้บอกรวมก่อนแต่ถ้าอย่างบุคคลที่สามารถคัดกรองความคิดของตนเองชัดเจนแล้วบอกว่าเราจะให้มหากุศลที่เป็นสมณฑ์เท่านั้นเกิดขึ้นเราจะให้มหากุศลที่เป็นสอมณั์ด้วยเป็นไปกับยานปัญญาด้วยเกิดขึ้น เราจะให้มหากุศลที่เป็นใบกัญญาปัญญาอาจจะเป็นสัตสังขาเล็กแต่เราจะพัฒนาให้เป็นอสังขารเล็กที่เกิดขึ้นโดยความไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นเตือนใดๆเลยอาศัยจากความแข็งแกร่งของกุศลนี้เท่านั้นเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเราจะเพิ่มศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงให้มั่นคงยิ่งขึ้นวิริยะที่ไม่ประคับประคองกุศลทําวิริยะนั้นให้ประคับประคองกุศลให้เกิดขึ้นต่อเนื่องย่ายาวนานสติก็คือตามระลึกถึงพระธรรมคําสอนอย่างต่อเนื่อง สมาธิก็คือความตั้งมัน่นปัญญาก็คือวิจัยไปอย่างต่อเนื่องพิจารณาทําความผ่องใสให้เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้สภาพของกุศลมันเกิดขึ้นจิตของกุศลเกิดขึ้นก็เขาจะทําลายบาปเป็นระยะระยะการฟังทมก็จะเป็นไปกับการเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานฉะนั้นประโยชน์เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่เกิดขึ้นแก่ผู้บรรยายนะผู้บรรยายก็ต้องรักษาสภาพจิตของผู้บรรยายเองอยู่แล้วใช่ไหม แต่ผู้ฟังต้องรักษาเองทุกคนจะต้องดูแลจิตของตนเองนะเพราะถ้าไม่ดูแลจิตของตนเองไปปล่อยให้บาปเกิดขึ้นบาปอากุศลธรรมอันลามกมันให้ผลเป็นทุกข์มันให้ขบผลเป็นความเจ็บปวดมันให้ผลเป็นความเจ็บความทรมานนะมันให้วิบากที่ไม่ดีเป็นต้นออกเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็รักษาสภาพจิตให้เป็นไปกุศลอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมาทานให้มัน่นคงว่าจักให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้น บาปกุศลเกิดขึ้นมาจากทําลายตลอดระยะและสังเกตดูว่าสภาพวิถีจิต ท, ที่สะอาดเกิดขึ้นไหมอาศัยพระธรรมคําสอนของพระเจ้าที่ผ่านจากภิกษุหรือจากใครก็แล้วแต่แล้วเราก็พิจารณาโดยปัญญาอนันแยบขายหรือพิจารณาอารมณ์นั้นด้วยปัญญาถ้าทําได้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าสามารถที่จะทําให้กุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างยาวไกลได้ในชั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราจะศึกษากัน ให้มาสังเกต ด, ดูนะว่าในส่วนพระจริยาคุณของพระบรมศาสดาซึ่งกล่าวไว้ในคําสอนที่บอกว่าในส่วนของเป็นชาดกทั้งหลายถ้ากล่าวไว้ในชั้นคําสอนเนี่ยท่านจะกล่าวไว้550เรื่องอาจจะตรวจสอบเนขาดบ้างเกินบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่สรุปก็คือนั่นแหละใน550เรื่องที่กล่าวไว้ในชาดกทั้งหลายเหล่านั้นเขาเรียวกว่พาพระจริยาปีดก พระเจ้านั้นสร้างบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีศินบารมีเณรขม้าปัญญาวิริยะขันติสจัจจอธิฐานนเมตตาและพระเบกขามาอย่างยาวไกลนะถ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็คือ20อร่ระสองอ์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัรทรงบำเพ็ญบารมีร่องรอยที่เราจะสืบค้นได้ก็คือในชาดกทั้งหลายในชาดกทั้งหลายตามชาติตามเรื่องราวต่างๆเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของแต่ละชาติที่พระบรมศาสดาทรงเป็นมาแล้ว เคยกล่าวไว้หลายๆครั้งว่าในชาติที่เป็นพระมหาชนกในชาติที่เป็นพญากระแตในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันในชาติที่เป็นเกี่ยวกันในเรื่องของพญาน้าหน้าคลาดหรือจาเปรยยะกะหน้าคลาดเป็นต้นเหล่านี้แต่ราชที่เป็นสัตว์ตะตทะเลฉานเราจะเห็นได้อย่างยาวไกลว่าพราะองค์นั้นทรงไม่เคยละความที่จะบําเพ็ญบารมีเลย อะไรฝังแน่นในกระแสจิตใจของพระผู้มีพภาคเจ้าแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่เป็นพยากระต่ายสสบัณฑิตเนี ส, สบัณฑิตเนี่ยก็ยังมีจิตคิดในการที่จะรักษาศีลแล้วก็จะให้สละชีวิตให้เป็นทานเป็นต้นได้อันนั้นบ่งบอกถึงอัธยาศัยที่ฝังไว้ในกมมลสสนดานอย่างแนบแน่นนะแล้วเราท่านทั้งหลายเรามีกระแส จ, จิตใจแบบนั้นบ้างหรือยัง ถึงแม้ว่าจากไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าอัธยาศัยที่น้อมสละอย่างนั้นมีไหมถ้าไม่มีนั้นต้องรีบกระตุ้นเตือนวิถีจิตหรือชาวนะของเราแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วนีแสดงให้เห็นชัดว่าอัธยาศัยส่วนลึกของเราท่านทั้งหลายนั้นไม่น้อมนําไปเพื่อการสละเพื่อการให้นะอย่าลืมนะว่าเรื่องการละจากของหยาบหยาบแล้วก็พัฒนาไปสู่การละสิ่งที่ละเอียดก็คือราคาโทรศัโมหะ เป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกันในเรื่องของการที่จะเป็นการบ่มเพาะบารมีธรรมเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นทำอภิจารณาอย่างนี้จะเห็นเมื่อพระบรมศาสดานะเมื่อพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าแล้วพระองค์แสดงธรรมจักกับวัฒนสูตรจบใช่ไ ท่า น, นัญญาโกอัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพระเจ้าอุทานว่าัญญาซีวัตโพโกนัญโยเป็นต้นที่บอกคกนัญญารู้เราหนอเป็นต้นและในขณะเดียวกันพรมก็สิบโกดไม่นับเทวดานะได้บรรลุประเด็นต่อมาต่อมาอีกแรมห้าคาพระบรมศาสตาก็เทศนาอนัตตลกน่สูตรปัญญวัคีทั้งห้าก็ได้เป็นพระหักฐาดังที่เราศึกษากันมาแต่ในพรรษานั้นเนี่ย พระบรมศาสดาทรงเทศนาโปรดยศ ก, กุลบุตรใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งยศ ก, กุลบุตรก็เกิดความเอือออเอ้อมละอาต่อทรัพสมบัติเอื้อมละอาต่อทรัพสมบัติคฤหาสที่ใหญ่โตบริษัทบริวารที่มากมายเกิดอิดหนาละอาใจต่อโคกทรัพย์อันนี้แปลว่าอะไร แปลว่าเนคขมมะหรือใจที่อยากจะออกจากกามอะไรหนอเป็นปัจจัยให้เนคขมมะเจริญขึ้นในใจของสัตว์นั้นโดยเฉพาะท่านยศกุลบุตรนั้ น, โ อ, น, น, นอโลภะอโลพัทยาศัไงที่ฝังแน่นในกมลสันดาลที่ท่านสั่งสมมาอย่างยาวไกลนั่นแหละความไม่ติดข้องความไม่ติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ท ร, รมารม ไม่ติดข้องในตาหูจมูกริ้นกายใจไม่ติดข้องในทรัพ์สมบัติและบริวารสมบัติเกิดขึ้นมาท่านก็อุทานในใจว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่านก็อุทารออกมาในลักษณะอย่างนี้เราลองคิดถึงเราท่านทั้งหลายไหมว่าอัธยาศัยเนคขมะเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในใจของเราไหมเคยคิดไหมว่าโหหน้าเบื่อเนี่ย การเบื่อของท่านย ะ, ะไม่ใช่เบื่อแบบโทสะนะแต่เป็นการเบื่อด้วยควะด้วยอะโลพา ท, ที่เด่นขึ้นอะโทสะที่เด่นขึ้นแล้วก็สภาพของปัญญาที่เด่นขึ้นฉะนั้นการเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยเป้าหมายคือทําอะโลพาให้ยิ่งยวดอะโทสะคือความไม่โกรธให้ยิ่งยวดปัญญานั้นให้ยิ่งยวดทําความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ทําปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งยวดนั่นแหละ ลักษณะนี้ท่านก็เกิดอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องหนอไป็ต้นเหล่านี้ท่านก็อุทานแล้วก็เดินออกมาที่ปลายิปัตนามิกษัตยวันในครั้งนั้นใกล้จะสว่างแล้วพระบรมศา ส, าสด า, าสเสด็จจงกรมอยู่พระบรมศา ส, าสด า, าสเสด็จจงกรมอยู่ก็ขานรับบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอใช่ไหมที่นี่ไม่ขัดข้องก็บอกอญาติสะเธอมาที่นี่สิ ไม่วุน่นวายเราจะแสดงความไม่วุน่นวายแล้วเธอจะเข้าถึงความไม่วุ่นวายนาที่ตรงนี้นะอะไรคือความวุน่นวายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นความวุน่นวายการเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นความวุน่นวายถามว่าอะไรไม่วุน่นวายถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างถาวรได้นั้นคือไม่วุน่นวาย สภาพพันิพานไงไม่วุ่นวายฉะนั้นตลาบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่นิพานตราบใดสัตว์นั้นจกวุ่นวายตลาบนั้นเนะฉะนั้นที่นี่มันวุ่นวายที่นี่มันขัดข้องแล้วมองไปเถอะมองหน้าที่ไหนเราจะมองไปที่บุตรที่ภรรยาที่สามีมองไปที่ทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติมันล้วนแต่เป็นที่ตั้งของความวุ่นวายทั้งนั้นเลยเป็นไปกัราคากะก็วุ่นวายโทสะก็วุ่นวายโมหะก็วุ่นวายเนะ มานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะอนตปะและอุทธะจ่ะความฟุ้งซ่านลำคาญใจทั้งหลายสภาพจิตที่สกกรปกทั้งหลายเป็นสภาพจิตที่วุ่นวายตระาบใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มันวุ่นวายแต่ถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็เรียกว่าดับความวุ่นวายใช่ไหมหน่าดับไหมฉะนั้นสภาพของความวุ่นวายนีย่น้าดับเราต้องมาเกิดเป็นาธาตุกอบกิเลสให้กิเลสใช้เราแล้วใช้เราอีก จิตของว่าเราใช้แล้วจิตของว่าเราใช้อีกบงการาแล้วแล้วบงการเราอีกเรานึกว่าเราเป็นใหญ่ที่ไหนได้เราก็เป็นได้แค่าธาตุของกิเลสนะถ้าตราบใดเรายังมีตาหูจมูกเิ่นกายใจเราก็ได้เป็นแค่าธาตุของกิเลสเราไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขาดข้องพระบรมศาสดาก็เลยเทศนาเลยใช่ไหมพอมาถึงแลบนั่งลงเบ็ดเสร็จพระบรมศาสดา ก, ก็แ ส, สดงธรรม ที่เขาเรียกว่าอนุปุพีคถาพระธรรมเทศนาที่พระผู้พีพาคเจ้าทรงสแสดงเนี่ยนะที่บุคคลได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากก็คืออนุปุภีคถาซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวเนื้อความลุ่มลึกลงไปตามลำดับเพื่ออะไรเพื่อจะขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้มีความประนีตขึ้นเป็นชั้นๆเป็นไปตามลาดับจนพร้อมที่จะเข้าสู่การฟังอริยสัจธรรมทั้ง4ี่ ก่คือพร้อมที่จะเข้าไปวิจัยทุกเข้าไปวิจัยทุกคสมูไทยทุกคนิโรทุกคนิโรธคารมีนีปฏิบัติใช่ไหมฉะนั้นจิตเนี่ยเหมือนทองคำเนี่ยที่อยู่ในหินตราบใดยังปนอยู่กับหินปนอยู่กับกรวดและทรายอยู่สภาพทองคํานั้นเป็นทองคําที่ไม่บริสุทธิ์ฉันใดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ถูกฟอกไม่ถูกพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาขัดเกาาเป็นไปตามลําดับ เริ่มตั้งแต่ทานากถาศีรกถาสัคขาคถากามาทีนวกากถาเนคขำมานิสังสักคถาไม่มีคําสอนพระเจ้าไปขัดเราเป็นไปตามลําดับแล้วกระแสจิตใจของสัตว์นั้นก็ยังเป็นจิตที่สกปรกอยู่เป็นวิถีจิตที่ไม่สะอาดอยู่ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าวิถีจิตของเราท่านทั้งหลายยังสกปรกยังไม่สะอาดยังมีทุรีคือราคะทุรีคือโทสะทุรีคือโมหะ ทุรีคือมาณาทิฏฐิอยู่แล้วสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องนำมาขัดเกลาเนี่ยต้องฟังธรรมของพระเจ้าฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องทานฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องศีลฟังเรื่องสวรรค์ฟังเรื่องโทษของกามแล้วก็ฟังเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกาว Gatcha, s m a m Sharanam. Gatcha, Samham Sharanam. Gatcha, s a n g h a m Sharanam. Gatcha.